เขาไปติดจ้ะโยมแนวเนี่ยเขาไปติดเขาไปติดเป็นวงชั้นชั้นซอนซอนซอนหลายวงมากเลยเขาไปติดเข้าในลึกเลยเนี่ยไปติดติดแช่ติดโป่งติดจิดแช่ติดโลงติดโปร่งติดเบาติดสบายติดเฉยติดติดเข้าไปติดเข้าไปติดสบายเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปโยกระาต้งติดนิ่งติดเฉยที่สุดแล้วสิ้นส่าว เป็นดังร้องให้ลึกๆอยู่เข่างในโอ้โหเนี่ยท้าลึกเลยเหมือนอุโมงค์วงแหวนเนี่ยมีหลายอุโมงค์มากเลยอเป็นเนีเป็นกลวยน่ะเป็นอุโมงค์วงแหวนที่เป็นกลวยปากกัวใหญ่ไปแล้วก็อุโมงค์วงแหวนชั้นที่สองุโมงค์วงแหวนที่สาเป็นกล้วยเล็กไปเล็กไปเล็กไปจนไปติดไปจนถึงสุดปลายอุโมงค์นู่นเลยติดโป่งติดโล่งติดเบาติดสบายติดว่างติดนิ่งติดเฉยติดสงบติดว่าง แล้วก็ที่สุดแล้วไปจมอยู่ปลายมงซึมเศร้าร้องไห้จิตใจเศร้าหมองหลายคนมาหาเป็นแบบเนี้ยบางทีมันปรากฏภาพนิมิตให้เห็นเลยเวินมาหาต่อหน้าพบเนี่ยเหมือนสร้างเราเนี่ยเป็นตัวเป็นทนแล้วเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปขังอยู่ในห้องขังที่มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างแล้วก็เอาไอ้นี่เนี่ยความรู้สึกอย่างนั้นเป็นห้องขัง แล้วเอาตัวเราไปไปขังไว้ในห้องขังนั่นแหะเวลามาปรากฏอยู่ต่อหน้ามันปรากฏภาพนี้ไม่ได้เห็นเลยว่าเอาตัวเราเนี่ยสร้างความรู้สึกมีเราเป็นตัวเป็นตนเอาไปเอาไปขังไว้ในห้องขังที่เป็นห้องขังแบบสถานีตํารวจอ่แต่เป็นห้องขังที่เป็นห้องขังที่เป็นเหมือนไรกระจกแก้วใสที่ไรสภาพมองไม่เห็นแต่ไม่สามารถลอดพ้นได้มองเห็นได้ว่า มันไปซ่อนอยู่กับเนี่ยไปเอาห้องขังที่เป็นความรู้สึกโปง่งโล่งเบาสบายว่างนิ่งเฉยสงบว่างไปหมดเลยเอาไปแจ้อยู่ในนั้นน่ะเป็นห้องขังขังตัวเองเราตัวเองไปขังอยู่ในนั้นแ่ะแต่ห้องขังอันเนี้ยมันเป็นห้องขังที่กุญแจมันอยู่ด้านในคือเราเป็นคนขบกุญแจเองห้องขังสถา น, นีตำรวจเนี่ยเป็นห้องขังที่เขาห้องขังที่ตีกุญแจเขาขบด้านนอกแต่นี้มันน่าเศร้าคือ เราเนี่ยเอาตัวเราเข้าไปขังอยู่ในห้องขังแล้วเราล็อกกุญแจเองด้วยตัวของเราแล้วเราไม่อยากออกมาเพราะเราออกมาหน่อยเผชิญกับความที่ไม่สบายใจเรื่องอะไรที่มันกระทบใจไม่สบายใจแล้วเราก็รีบเข้าห้องขังแล้วก็ปิดประตูล็อกกุญแจเข้าห้องขังแล้วก็ปิดประตูล็อกกุญแจตายสนิทอยู่ในนั้นน่งแล้วเวลาพอตายแล้วก็มันมันไม่เจ๊ว่าตายแล้วมันจบมนตตัวนี้มันไม่จบในเรื่องใหญ่ตัวเนี้ย พอในชีพประจำวันนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วคือเป็นโรคเออโรคซึมเศร้าพอตายแล้วนี่มันไปเป็นเด็กเออไปเป็นสัตว์จะได้ฉานเออไปตกมาโลกไปเป็นอาบายแล้วมันเออในแนวเป็โลกเออพอเกิดขึ้นมาปุ๊บตั้งแต่เด็กๆเห็นมาหลายคนเลยเนี่ยเป็นโรคเอสแอดีเป็นโรคภูมิแพ้โรคภุ้มพวงโรคคุ้มการปกป้องทําร้ายตัวเองเก็ดเลือดขาวต่าเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงต่ํา แล้วก็เป็นโรคเออถ้ามันเนี่ยแช่หนักๆเข้ามันก็จะเป็นโรคแอสเปอร์เกอร์แช่หนักพานั้เกิดเป็นโรคออสซิติกแช่หนักเป็นโรคดาวเซนโดมโอ้โหน่ากลัวมากเลยแต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่รู้จะกกลัวชอบมากเลยละว่าทสไหลก็ไม่เชื่อเอาตัวเข้าไปเอาใจของตัวเองอสร้างตัวเองเป็นตัวเป็นตนเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องขัง นิ่งเฉยว่างโล่งโปร่งเบาสบายกระทบอะไรไม่ได้เป็นอิ่งเงียบอยู่ได้นั่นแหละไม่ยอมรับรู้โลกตามความเป็นจริงไม่ยอมรับรู้การกระทบตามความเป็นจริงแล้วไม่ติดไปไม่ยอมรับรู้ความปรุงแต่งของในใจของตัวเองตามความเป็นจริงแล้วไม่ติดไปแต่ไม่ยอมรับรู้อะไรตามความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่พวกนี้ไปเก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบเงียบพวกที่ส่วนใหญ่เป็นมากก็คือพวก Early ออออกมาเนี่ย แล้วไม่รู้จักทำอะไรไปอยู่เงียบเียอย่างเงี้ยเป็นกันเยอะมากเลยที่มาเห็นที่มาหาเห น, นี่ยเห็นเงี้ยแล้วบางทีพากันไปปฏิบัติเป็นอย่างเนี้ยทั้งกลุ่มใหญ่เลยเป็นแบบเดียวกันหมดเลยที่มาหาเนี่ยสร้างห้องขังไว้ในใจของตนเองและสุวนโลกอ่ะมันตามมาอีกหลายโลกมันตามมาอีกหลายโลกเลยตอนเนีย้ยไปสร้างห้องขังเงี้ยสารเคมีในสมองในอวัยวะต่างๆในตับในหัวใจ ในไตไม่ทํางานตอนนี้ละ อ, ว, อวัยวะป่วยจริงๆเลยเราหมอตรวจปุ๊บหมอก็จะรู้ว่าเนี่ยมันป่วยตามร่างกายอาวัยวะป่วยสารเคมีไม่รักไม่ทํางานในสมองไม่ทํางานก็ต้องผ่าตัดห า, าสาเหตุแล้วว่าทำไมสารเคมีในสมองในตับในไตในหัวใจไม่ทํางานเลือดเก็บเลือดต่ํา ไอ้เลือดที่ผ่านตับผ่าหัวใจก็ผ่านน้อยทาให้ระบบหัวใจก็การทํางานไม่เต็มที่ไม่มีเลือดผ่านเลือดกรขาดหัวใจตอได้ตามมาได้โรคอื่นอีกตามมาเลยเลือดขาดหัวใจอะหัวใจขาดเลือดจะไมไีตามมาอีกโรคอะไรโรคหัวใจโตโรคอะไรตามมาอีกแล้วพวกเนี้ยทํามลามไปด้กระทบไม่ได้อุตส่าห์พาตัวไปเก็บแช่นิ่งเจอยว่าง ถูกกระทบแล้วไปเก็บกดไว้จะมีโรคอื่นตามมาแทรกซ้อนเข้ามาอีกโรคเครียดพอกระทบแล้วเก็บกดไว้อื่นๆเป็นโรคเครียดโรคตามในหูไม่เท่ากันมีโรคอะไรตามมีเออยอะแยะเลยน่ากลัวมากเลยตอนนี้หมอเขาจะษาตามอาการตอนนี้ยเป็นอาการอะไรก็หมอก็ให้ยาตามอาการยาคลายเครียดบ้างยานอนหลับบ้างสารเคมีหลัง่งผิดปกติก็จะผ่าตัดแก้ไขอะไรว่าสารเคมี ม, มันหลัง่งผิดยังไง แก้ไขอ่ะสายเหตุจริงๆอ่ะมาจากระบบจิต ท, ที่ผิดพลาดแต่ร่างกายมันป่วยแล้วก็ต้องรักษาอาการของร่างกายที่ป่วยไปตามอาการป่าตัดบ้างให้ยาบ้างแต่จริงๆอ่ะโรคเหล่าเนี้ยมาจากการปฏิบัติทางจิต ท, ที่ผิดบางทีก็เราบอกแล้วหลายครก็เสียงแล้วบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ฝึกจิตเลยน้ำเป็นได้ยังไงโอ้ยเงนินเดือนเด็กหลายคนเกิดมาเราไม่พามาเห็นมันมันแช่มาเลยตั้งแต่เด็กแช่ก็เป็นแถวเป็นแนวเนนวต็มมาหมดเลย มันแช่มาค้ามบกข้า ม, มชาติเลยแล้วตูวจะไปหาหมอตั้งแต่ไปลง S N E ตั้งแต่เด็กๆเลยไปหาหมอแต่ละคนทําไมบอกว่าไม่ได้ฝึกจิตอ่ะก็เกิดมากันลง S N E แ ล, ล, ล, ล้วไปลงลงปุ่งกุงกันพวกพ้องทํำลายตัวเองไปหาหมอเนี่ยหมอพามาเนี่ยเยอะแยะเห ม, มืันแช่ไปตั้งแต่เด็กไปลง S N E ตั้งแต่เด็กเลยมันแช่มาขํามภพข้ามชาติเนี่ยเวลาเขาว่าไม่เชื่อเวลาพ อ, พ อ, พอว่าบอกไปแล้วก็พวกเนี้ยก็มีอารมณ์ใส่เรา แล้วกาทีก็โมโหใส่เราอะอาจารย์เราพูดมาที่ว่าความสุขความสบายไม่ดีไงอาจารย์บอกให้ทิ้งยันเลยคอามสุขสบายน่อไว้ทิ้งให้ทิ้งอะแล้วก็นายอาจารย์พูดมาที่ว่าความสบายไม่ดียังไงโมโหใส่เราเลยยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยมีอารมณ์ง่ายมันเก็บกดไว้เดินยิ้มไปยิ้มมาเราเห็นหน้าตามาปฏิบัติธรรมยิ้มเพลยิ้ยมหยอกคนโน้นตีหยอกคนนี้หยอกคนนี้ เพราะเรา อ, ว, อว่าทำไมยิ้มแต่ใบหน้าใจไม่ยิ้มอ่ะแกนั่นน่ะร้อง่ายเป็นวักเป็นเว น, น, นสามีไม่ดีอย่างงั้นสามีไม่ดีอย่างนี้โอ้ยลำบึงลำพันบางคนก็สามีไปมีกิ๊กไปมีอะไรอาจารย์เขาจะกลับมาหาหนูไหมเนี่ยอะไรล่อยตายมายิ้มเพลงไปแต่พอทักเข้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ ทำไมยิ้มแต่ใบหน้าใจเป็นอย่างเงี้ยใจหม่นหมองใจเศร้าหมองเงี้ยเก็บกดไม่ันไม่ได้อยู่กับความจริงไงบางทีเขาโลกเก็บกดดาวลงไปดาวลงไปแล้วจะเป็นดาวเซนโดเออหน้าขวมากเลยตายแล้วอย่างเนี้ยนี่หมอคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ก็มันตายสบายอย่างนี้ก็ดีอ่ะทำไมต้องมาช่วยอยอมตาย ช่วยเท่าไรก็เชยยอมตายก็ตะก็สบายอย่างงี้ทําไมต้องต้องออกมาไงตายสบายดีเออตายสบายดีนอนยิ้มเพลงอย่างเงี้ยแต่ตายแล้วมันเป็นอะไรเป็ น, ป น, ปนออสซิติ ก, เ ป, ก, ตกเป็นดาวเซนโดไปเกิดเป็นออสซิติกเป็นดาวเซนโดมาดีเหรอหืบต <c oughs> กใจจริงเหรอจ้ะกระโดดออกมาได้หายได้เ อ, อ้าโอ้ยเนี่ยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราช่วยมาเสร็จแล้ว ก, ก็กลับไปแช่เดิมเองต้องสามรอบคนเนี้ย เป็นหมอด้วยแล้นจะตายจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นพมันแช่ไม่ต่อสู้ชีวิตแล้วสบายแต่เนี่ยภูงการบกบคล้องเชื้อโรคเข้าโจมตีเลยแต่เนี้ยมีเชื้อโรคเข้าโจมตีได้แต่เนี้ร่างกายเจ็บป่วยจริงๆแต่เนี่ยแล้ต่นี้ก็หมอก็รักษาที่ร่างกายเจ็บป่วยดิเชื้อโรคเข้าโจมตีจริงๆแล้วก็เชื้อโรค ก, ก, กินน่นกินนี่ก็ต้องรักษาร่างกายแล้วแล้วก็ให้ยา ก, กับจัดเชื้อโรค แต่รากฐานมันไม่ได้แก้คือรากฐานจิตเ่จิตที่แช่ใจสบายไม่ได้แก้ตอนนี้ให้ไปมันก็ส่งส่งทุดทุดส่งส่งุดทุดงส่งทุดๆุอยู่นั่นแหละอบอกว่ารักาจนสุดฝีมือแต่ทำไมคนไข้ส่งส่งทุดทุดส่งส่งทุดๆุดมันไม่ได้แก้ที่จิตเนีคนไข้นอนยิ้มเพยยอมตายนอนยิ้มเพยใจสบายยอมตายเดินยิ้มเพยนอนยิ้มเพยยอมตาย ตายใจสบายสบายมันแจ๊ดอย่าี้ยมันตายไปพร้อมกับห้องขังเลยมันมันไปพร้อมห้องขังเลยตอนเนี้ยไอ ห, ห้องขังใจสบายมันเป็นห้องขังจิตไปมันหุ้มไปเลยเนี่ยเหมือนไอลูกโปง่งวิทยาศาสตร์มันหุ้มจิตไปตอนนี้ยเราก็ไปเป็นเด็กเอ๋อเลยไปเกิดเป็นเด็กเ อ, อ๋อเราเคยเห็นคนที่กภาเนี่ย ลูกออทิสติกมาแต่เขาไม่ได้พามาเราไม่ได้ต้องกาพาลูกมาแล้วหลับแม่เขาจะมาคุยธรรมะ ก, กับเราก็ก็ลูกมานอนไว้ใกล้ๆเด็กก็ประมาณนี้แนะประมาณเก้าขวบสิบขวบอย่างเงี้ยเขามานอนเล่นใกล้ๆแล้วก็แม่ก็นั่งคุยธรรมะ ก, กับเรานี่คุยเรื่องโลกคุยอะไรก็ากสารทุกตัวดเด็กก็เฉยแต่พอคุยเรื่องธรรมะเรื่องจิตก็นั่นแุล ย, ยเด็กมันตั้งใจฟังไว้ข้างในอ่ะ เดี๋ยวพอมันโดนใจมันหวเรละอชักดิ้นชักงอเลยมันดีใจไอ้ไอที่หุ้มไว้มันแตกไอ้ไอจิตเนี่ยที่มันเคยฝึกจิตมาเนี่ยมันสว่างวุบมาเหมือนกับไอ้ ไ, อไฟช็อตเราเลยเฮ้ยทำไมเอ้เด็กออทิสติกนี่มันทำไมอำนาจจิตมันสว่างขนาดนี้เนี่ยนียมันฝึกจิตมาก่อนนี่ แต่เสี่ยวนาทีเดียวที่มันแตกปุ๊บมันก็มาสร้างลูกใหม่มาหุ้มสร้างใจที่สบายคือลูกป่งวิทยาศาสตร์ลูกใหม่มาหุ้มเลยเพราะอะไรเด็กพวกนี้มันยึดใจที่สบายไว้เป็นบ้านซะแล้วพอบ้านแตกไปมันมีความรู้สึกว่ามันสูญเสียที่หลบภัยแล้วมันก็สร้างบ้านขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วหุ้มไว้เลยทีแรกเราก็คิดว่าโอ้โหรู้วิธีช่วยเด็กพวกนี้้วย ยิงให้ไปบ้านใจสบายให้มันแตกเลยเนี่ยยิงให้มันแตกบ้านน้อยห้อยสังเนี่ยแปวมันมีที่หลบซ่อนยิงให้มันแตกเลยเราก็เอาอานาจจิตเข้าไปยิงพอยิงแตกปุ๊บมันสร้างลูกใหม่ขึ้นมาเร็วมากเลยยิงแตกสร้างใหม่ยิงแตกสร้างใหม่ยิงแตกสร้างใหม่หมเอย้ยอมแพ้ <laughs> <laughs> จะไปทำใจกับมันได้สอบมันก็ไม่ได้สอบมันก็ไม่รู้เรื่อง ว่าจะไปแช่ใจสบายจะแช่ใจสบายสอนคนปกติยังไม่ค่อยจะเอาเลยที่ไปสอนลองทิสติกจะไปสอนยังไงอะยอมแพ้เว้ยยอมยอมต้องปล่อยเขารับกรรมไปแล้วมันจะไปอย่างไงไม่รู้เนี่ยกี่ชาติกี่พบกี่ชาติไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปสอนเดรัจฉาสัตว์เดรัจฉานเออพวกนี้ทํางานทําการไม่ได้นะทํางานทําการไม่ทันหละโดนเจ้านายดูด่าว่าประจําไยทางานไม่รู้เรื่องทํางานผิดผิดประพาสปั๊มปั๊มเปอเปอร พวกเอ๋อเนี่ยทํางานปีนๆปั๊มาปั๊มๆเปอร์หมดอ่ะพวกที่ปวดกษียนมาแล้วเนี่ยแล้วมาอยู่บ้านเฉยๆคนเดียวเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องจิตเนี่ยแช่หมดทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าไม่แช่ก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปทะเลาะครอบครัววุ่นวายปวดหัวเครียดมากเลยจนลูกหลานเบื่อไปหมดเลย่กลายเป็นคนขี้บ่นพูดมากเออทาอย่างนั้นไม่คือขี้บ่นขี้มากก็อยู่ใจสบายปวเสียพลังานไม่จทำแจ่ แต่ตอนผมสังเกตได้เราทําเป็นอย่างเงี้ยเวลาทํางานเนี่ยโดนเจ้านายด่าว่าได้ว่าดูด่าประจําเลยทํางานปิดๆว่าภาพไม่เอยรู้เรื่องเพราะว่าใจมันแช่อยู่ภายในเขาสั่งอะไรแล้วสั่งอย่างหนึ่งแล้วก็พอก็ไปแล้วก็จําไม่ได้ว่าเขาสั่งอะไรเขาสั่งอย่างหนึ่งสั่งงานอย่างหนึ่ ง, ง, ง, นนงพอเขาไปแล้วจําไม่ได้ว่าเขาสั่งอะไรโดนเจ้านายดูด่าประจําอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าย่างไงเวลาเจ้านายดูด่าสบายใจอาจารย์เป็นไงอ่ะ ก็เห็นแต่ปากเจ้านายขมุกขมิบขมุกขมิบตอนเจ้านายด่แต่ไม่ได้ยินเสียงเจ้านายด่าเลยโอ้ทาเก่งมากเลยมันแย่จ้ากระดางไม่ได้ยินเสียงเลยโอ้เก่งขนาดนี้ก็พอเจ้านายด่าเนี่ยปิดเสียงไปเลยปิดสวิตไปเลยไม่ได้ยินเสียงเจ้านายเลยเพราะว่าเจ้านายเป็นไงเจ้านายชอบด่าประจําก็มันแท่ครับไม่ไม่ฟังคําสั่งเขาี่พอทำอะไรก็บิดิดด้วปากพอเจ้านายก็ด่าก็ได้ยินเห็นแต่ปากเจ้านายขมุกขมิบขมุกขมิบ็มิ แล้วก็พอเจ้านายเดินผ่านไปแล้วด่าเสร็จแล้วเจ้านายเดินด่าจานาอ่อนใจเจ้านายไปแล้วก็เออกลับมาได้ยินเสียงตามปกติพอมีเรื่องกระทบอะไรไม่สบายใจกับเพื่อนกับพวกร่วมงานปุ๊บกลับไปไปรับรู้อะไรเลยสบายใจเรื่องที่ไม่สบายใจหายไปชั่วพริบตาเลยได้มาอยู่กับยิ้มเพลย น, นี่เงี้ยเราบอกว่าเดียนี่เดินออกไปกลางแดดร้อนร้อนเดินเมรสานี่ร้อนร้อนไหเนี่ยไม่ร้อนเลยอาจารย์ใจสบาย เฮ้ hey, หน้าหนาวหนาเนี่ยหนาจะจ่ดเดินไปข้างนอกเนี่ยเป็นไงม้างไม่หนาวเลยใจสบายอูหน่ากลัวมากเลยแบบเนี้ยมันไม่ยับยอมรับรู้เลยตามความเป็นจริงจนถึงกับคนคนหนึ่งอะรีบผ้าตอรีบใจสบายรีบเดนใจสบายเอาตอรีบมาวางบนขาตัวเองฮะแทนที่จะเอาตอรีบไปวางบนที่รองตอรีบมาวางบนขาตัวเองขาตัวเองไม้เลยยังไม่รู้สึกเลยสบายใจสบายอุ้ยอู้ จะไปแช่่งนั้นนะว่าไงอ่ะโยมแม่อดัดเนี่ยเอ้ก็มาหาลงตาไปบ่อยแล้วมันไปแช่ตอนไหนหงงมากเลยไม่อพอ ด, ดีกลับไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปป่วยป่วยแล้วก็เลยไม่อยากคิดอะไรเลยแต่ก็รู้สึกนะก็รู้สึก<ไ>อยู่ วิธีที่มันจะหลุดรอดจากอันนี้แช่ใจสบายเนี่ยคือให้ถามตัวเราเองว่าใครรู้ว่าเราใจสบายคนที่มานั่งในที่นี้ทั้งหมดรู้ไหมว่าเราใจสบายรู้ไหมไ ม, ไม่รู้ไม่รู้ใครนคนรู้อ่ะตัวเราเองเออตัวเราเองอะ่ะเป็นคนรู้ว่าเราใจสบาย ก็คอรู้ไอ้ตรงที่ตัวเราเองไงเนี่ยอย่าไปรู้ใจสบายแต่ตรงรู้ตัวเราเองว่าไอ้ตัวเราเองผู้รู้ใจสบายไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันมันพูดไม่หยุดมันพูดอยู่คนเดียวไม่หยุดมันคิดมันนึกมันคิกวิเคราะห์วิจัยกุ้มใจไม่สบายใจเรื่องโนเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ความสบายใจอารมณ์สบายใจอ่ะมันมีอยู่แต่ตัวเราผู้รู้ความความสบายใจเนี่ยมันพูดไม่หยุดมันวิเคราะห์วิจารณวิจัยไม่หยุดมันบ่นไม่หยุดรับรองเลยไม่มีใครหละในโลกนี้ที่ไม่บ่นไม่พูดไม่วิเคราะห์วิจารณวิจัย มันจะต้องมีการพูดมีการภาคตลอดเวลาให้มาอยู่กับตัวเราที่รู้อะไรเนี่ยเราไปรู้อะไรก็ตามมันจะพูดมันจะภาคเราจะรู้อะไรเนี่ยไม่ว่ารู้อะไรทางตาหูจ rar, มูกลิ้นกายใจยเนี่ยแม้แต่รู้ใจสบายเนี่ยไปรู้อะไรนะ่ยมันจะภาคมันจะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่มีหรอกถ้าใครในโลกนี้ที่ไม่ภาคไม่พูดเนี่ยอย่างสมมติว่าเนี่ยไม่ว่ารู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่รู้ใจสบายนะมันต้องภาคภาคเช่นว่าเออเราใจสบายมากเลยหรือว่าเออเราใจสบายอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเนี่ย หรือมันถูกหรือผิดเอ๊ะหรือผิดหรือถูกเอ๊ะเราจะแย่หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะหรือมันก็สบายดีนะเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็งงๆตับสนอย่างนี้กัเนีเรเห็นไ้ยไอ้ใจสบายมีอาการเดี๋ยวใจสบายแต่ข้างในพูดอยู่ใหญ่เลยเอ๊ะมันมันถูกหรือผิดผิดหรือถูกเอ๊ะมันอย่างนี้มันด้วยว่าจะแย่แล้วเปล่าเนี่ยเอ๊อาจารย์พูดแบบอย่างนี้คนใจสบายแล้วจะเป็นโรคหลายโรคตามมาเอ๊ะจะกลัวบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหมดเลยไอ้ไอ้ไอ้พูดติรู้เนี่ยนี่ยพูดติเป็นตัวเราที่ไปรู้น ให้รู้อะไรก็อาจารย์รู้ที่ตัวเราที่มันไปรู้อะไรเนี่ยตัวเราเนี่ยมันจะมันจะพูดมันจะวิเคราะห์วิจาร์วิจยัยตลอดเวลาเลยไอ้บอกไม่มีอาจารย์ฉเฉยอย่างเดียวไม่พูดอะไรฉเฉยอย่างเดียวไม่จริงหรอกเนี่ยแม้แต่เนี่ยเวลาเนี่ยพอรุกตา ย, ยกแก้วขึ้นมาปุ๊บในใจทุกคนต้องพูดเลยพูดว่าอะไรอะยกขึ้นมาทําไมหรือว่าบางคนก็บอกว่าอาจารย์ยกแก้วทําไม อาจารย์โยแก้ว่วาทมาไหมต้องภาคทุกคนไม่มีใครเหล่าว่าไอคนไม่ภาคมีแต่ท่อนไม้ถ้าเป็นท่อนไม้จะไม่ภาคแม้ยางสมมติลูกตาหยิบอันนี้กันมาดูในใจของทุกคนว่าภาคว่าอยางไรมันภาคว่าอย่างไรไอะเอาไหนเอาแต่ละคนนีเอาโยแม่ดิโยแม่อุดภาคว่าไงมหยิบอะไรอันนี้นี่นนีเอาพวกใกล้ๆมาดยให้ให้หม่ไม่สบาหยิบอะไรขึ้นมามันหยิบ อะไรยังไม่ทราบเ อ, ออะไรว่าไหมภากแล้วอ่ะเอเสียเสียนงตาเย็บมันนี้มันอินตาผาลำหรือเปล่าเนี่ยหรูกอะไรไม่ไม่ไม่ทราบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยหมายไหมทุกคนเนี่ยมันมีแต่ท่อนไม้ท่าหน้าที่ไม่ภาคมมยภาคในใจทุกคนเจ้าภาคกันเนี่ยให้รู้แต่ตรงภาคเนี่ยมันลราจะหลุดจากที่แช่ที่เ อ, อ๋อเจ้าค่ะใช่ไหมแล้วแต่ว่าใครจะภาคอะไรแต่ต้องภาคแน่นอนแม้แต่เด็กก็ต้องภาค จะม้อามาเชื่อลองดูสิถามอินเนี่ยเก้าวบเอาอินอินภาคไปยังไงพูดในใจว่างไงพอเห็นยกขึ้นมาทําไมครับยกขึ้นมาทําไมเหอไหยกขึ้นมาทําไมเด็กกังพาคเลยนะพี่นะว่าภาคทุกคนแต่เราเนี่ยรู้อะไรเราต้องภาคเห็นไอตัวเราที่ไปรู้แล้วมันภาคมันพูดเนี่ยเราจะหลุดจากอาการทุกอาการหลุดจากอาการแจ่แล้วก็พอเราเห็นตัวเราภาคเราพูดแล้วต่อไปอ่ะไม่ว่ารู้อะไรเราดูตรงที่ตัวเราภาคเราพูดเราภาคเราพูดอยู่ในใจเนี่ยแหละ แล้วต่อละต่อไปเนี่ยฝึกอีกขั้นหนึ่งคือปล่อยให้มันภาพมันพูดไปอย่างนั้นแหละแล้วไม่มีใครยุ่งอุ่วายกับมันก็พ้นทุกไปเลยกลายเปไ็นใจที่ได้แต่แค่รับรู้รับทราบตัวเราอย่างไม่มีตัวตนวใจไ้ยเนี่ยใจจุกจิหรือต้องหยิบอย่างอื่นอีกไหมไม่ต้อง ห, อหยิบนี่ก็ได้ ที่หลวงตาเทศเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือผมก็นั่งคุยกับแม่มาระหว่างทางที่ขับรถกันนะครับก็เข้าใจที่หลวงตาบอกว่าคุณแม่ติดแช่เพราะว่าคุณแม่บอกว่าเว้ยสบายดีไม่เห็นต้องทําอะไรเราอยู่บ้านมันก็สบายดีแล้วพยายามจะคุยกับแฟนกับผมเนี่ยครับว่าเอ๊ะ ม, มันเห็นอะไรคือคือพอไปติดตรงนั้นมันจะไม่เห็นครับหลวงตาคือมันจะไม่เห็นอาการที่ทําจุกจิกจุกจิกใน ใ, นใจจะไม่เห็นแต่จะไปเห็นดแต่สบายคือมันจุดโฟกัสของการมองเนี่ยมันเปลี่ยน จากที่จะมามองว่าเฮ้ยเราพูดเราพากเนี่ยคุณแม่ไม่เห็นละคุณแม่ไปเห็นว่าเฮ้ยมันก็สบายมันจะไปไปเห็นอารมณ์แล้วไปเป็นอารมณ์ก็เลยมานั่งแมา่ถามว่าเอ๊ะเราเห็นอะไรอดูอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรวันวันมือ น, นก็ว่างคือคือที่หลวงตาพูดเนี่ยคือแบบสะท้อนออกมาเลยว่าเออจริงๆแล้วเราแบบมองผิดตัวก็คือคุณแม่ไปมองตัวที่ตัวที่มันสบายอย่างเดียวแต่ว่าไม่เห็นอาการที่มันจุกจิกในใจคุณแม่ไม่ไม่เห็นทำไมพูดที่เห็นอย่างตอนนี้ เห็นแล้วเจ้าค่ะดวงตานั่งนั่งอย่านี้มันก็ต้องพูดเลยอ่อ้าเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแลยอ้าอเดินด่าเออเนี่ย กำลังบอกว่าต่อไปถ้าเกิดคิดมากๆก็ไม่ต้องสอนให้ยกขึ้นมาแล้วถามนี้ก็ง่ายดีนะครับก็เนี่ยที่พุทธเจ้าตัดว่าเนี่ยที่ว่าไอ้คาพูดใดที่ที่พูดได้พุทธเจ้าก็พูดสอนจนหมดแล้วมันเหลือแต่คําพูดที่บะที่ถึงที่สุดแต่มันพูดไม่ได้คําพูดที่มันพูดไม่ได้แต่มันรู้ได้โดยใจ มันพูดไม่ได้มันพูดสอนไม่ได้พูดสัจสอนยังไงก็ได้แต่ยกตัวอย่างไม่พูดสอนเสร็จแลเอาได้ไหมเออตัดเลยแต่ละคนก็เห็นเอาเองเนี่มันพูดยังไงก็พูดเนี่ยแต่ละคนเห็นเอาในใจตัวเองมันพูดว่าอะไรแต่ละคนน่ะแล้วแต่คนจะพูดอืหยิบมาเนี่ยแล้วคนพูดว่าไงก็เห็นเอาเองเลยตอน้เห็นนั่งเห็นเอาเองว่า จดพูดว่าอะไรเออแล้วก็ถ้าเห็นว่าเจดพูดว่าอะไรแล้วก็สักตะวันรู้มันก็กลายเป็นว่ามาสักตะวัรู้ตัวเราก็พ้นทุกไปเลยไม่เป็นตัวเราตัวเราที่ถูกร cool ู้เพราะไอ้ตัวเราที okay. <t <t ่ถูกรู้ตัวสุดท้ายคือตัวที่เราเนี่ยพูดได้เนี่ยแหละเห็นอะไรรู้อะไรแล้วพูดได้ในใจเนี่ยคือตัวตัวปรุงแต่งตัวสุดท้ายถ้าเราสักตะวัรู้ไอ้ตัวเราที่ปรุงแต่งตัวสุดท้ายคือรู้อะไรแล้วมันพูดได้คิดได้อในใจด้ว่าอย่างไงนั่นแหละไอ้ตัวนั้นเนี่ยคือพ้นทุกไปเลยพราจากตัวเราพ้นทุกก็คือพจากตัวเราพ้นจากัน กลายเป็นศักดิต์ตะวันรู้ตัวเราเพราะไอ้ตัวเราตัวสุดท้ายก็คือไอ้ตัวที่รับรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันนามาภากมาพูดไวปในใจไ ด, ไดไ้มันเอามารู้สึกไปอยังไงภากไปอย่างไงอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะภาคอะไรก็ได้ไมันจะเป็นว่าทุกคนต้องภาคเหมือนกันพาคพูดเหมือนกันแต่ต้องรู้ว่าเราแต่ละคนอ่ะภาคพูดไปอย่างไงอย่างเงี้ยใต้หยิบปาแล้วแต่ว่าใครจะพากจะพูดว่าไง อ่าวร่องไรค่ะลวงตาคะก็คือว่าเราให้ให้รู้ว่าตัวเองพูดหรือว่ า, าพาคยังไงในในใจอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปแจ้งแต่งหรือว่าคิดอะไรต่อใช่ไหมคะคือแตามันคิดต่อเราว่าก็มันคิดต่อมันพากต่อมันรู้แล้วมันคิดต่อพากต่อก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้รแค่รู้เอแศัพท์เตารู้แค่รู้สัพตวรู้ก็จะเป็นการแค่มรู้สัพท์เตารู้ตัวเราก็จะไอ้แค่รู้สัพตารู้จะไม่มีตัวตนไม่มีอาการอะไร คือเราจะไม่ไม่พบตัวผู้รู้เลยใช่ไหมคะเออไม่พบตัวผู้รู้เราก็ตมันไม่มีแต่แต่เห็นแต่ไอตัวเราเนี่ยทีย่เป็นตัวพูดตัวภาพตัวสุดท้ายเจ้ค่ะตัวพูดตัวภาพตัวสุดท้ายไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าพอเราไปรู้แล้วมันจบแล้วไม่มีการไม่มีการภาพไม่มีการพูดต่อนะคือมันไปรู้ต่อแล้วมันก็ภาพพูดต่อไปรู้อีกแล้วภาพพูดต่อรู้ต่อแล้วก็พูดพาพพูดต่อไปจ Welsh ตลอดชีวิตแต่เป็นตัวที่ละเอียดที่สุดที่เป็นละเอียดสุด สุดๆแล้วม่มีละเอียดกว่านี้แล้วในตัวเราไอ้ตัวที่เป็นรู้อะไรลราภาคเราพูดได้แต่คิดได้ติกต้องได้แต่มันจะภาครู้อะไรแล้วมันจะพูดจะภาคจะคิดจะติกต้องแม้แต่รู้ว่าเราภาคเราพูดมันก็ยังพูดต่ออีกมันจะพูดยังภาคพูดต่ออีกเราไม่รู้ว่าตัวเราภาคเราพูด <n> oh <un> มันก็พูดต่ออีกแล้วแต่ใครจะพูดภาคว่าไงในใจเราเนี่ยมันจะเป็นเง่างตลอดชีวิตแต่มันเป็นตัวที่ละเอียดที่สุดเราถ้าเราแค่สักเตารู้สักเตารู้ก็จะหลุดพ้นจากไอ้ตัวเราเพราะว่าไอ้ตัวที่ภาคที่พูดละเอียดเนี่ยเป็นตัวเราเป็น หลุดพ้นจากไอ้ตัวที่ภาพที่พูดได้แล้วก็คือแค่สับตาวรู้ได้ก็จะหลุดพ้นจากขันห้าหลุดพ้นจากตัวเราก็พ้นจากทุกเลยเรียกว่าสิ้นอุปทานขันห้าคือก็ให้รู้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติของมันไปเองใช่ไหมคะหมายถึงว่าก็คือมันก็ไปจนถึงให้มันมีอาการยังไงอ่ะในใจแล้วมันแล้วแต่มจะมีอาการเพราะมันมีความรู้สึกมาคิดอาการต่างๆมีความรู้สึกมาคิดอาการต่างๆเนี่ยมันมันก็มีแต่อาการแต่ไม่มีมันก็ มันไม่มีตัวตนของผู้รู้เพราะว่ามันไปถึงไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเราอะไอ้ผู้ติมารู้ตัวเราไม่มีตัวตนมันมันได้แต่รู้ว่าตัวเราเนี่ยมันได้แต่รู้ตัวเรามีความรู้สึกไม่คิดอาการอย่างไรมีอาการอย่างไรไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวตลอดเวลาเลยแต่ไอ้ผู้ี่มารู้ตัวเราไม่มีอาการมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลย มันมีแต่อาการมีแต่อาการที chas, ่ปรากฏปรากฏปรากฏแต่มันไม่มีผู้ที่มารู <gro an> ้ตัวตนของผู้มารู้อาการไม่มีคําว่าตัวตนของผู้มารู้อาการไม่มีเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างท่านเนี่ยนั่งทานนังอยู่เนี่ยท่านลองแอบคิดอะไรในทางอกุศลเนี่ยกับใครอ่ะเช่นบางคนเนี่ยโอสวยมากเลยทีเนี้ยบางคนหล่อมากเลยทีเนี้ยแหมหล่อบาดตาสวยบาดใจท่านลองแอบคิดดูเขาสิ แอบคิดอะไรก็ได้แอบคิดอะไรกับเขาก็ได้ท่านดูสิว่ามีใครในที่นี้รู้ไหมว่าท่านแอบคิดอะไรกับเขารู้ไหมอ่ะรู้ไ่ะไม่รู้แต่ท่านดูสิท่านหลุดรอดจากผู้ที่มารู้ตัวเราตลอดเวลาได้ไหมมีใครอะที่มารู้คนอื่นไม่รู้ว่าเราแอบคิดในทางอุปสงค์กับใครแต่มีใครรู้ตัวเราอะค่ะเออตัวเราเนี่ยมารู้มารู้ตัวเราไอ้ตัวเราที่มารู้ตัวเราเนี่ยถามหน่อยว่า มันมีหน้าตาอย่างไงแล้วมันอยู่ตรงไหนบอกอะไรสิมันหาไม่เจอเจ้าค่ะหาไม่เจอเห็นไหมนี่เราหามันไม่เจอเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเจ้าเออเพราะมันไม่มีตัวตนมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีรูปร่างเราจึงหามันไม่เจอแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่แต่มันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างก็ได้ <S <S <ๆ>อ่าบอกกับพวกท่านอ้าท่าน ไปแอ บ, บคิดในห้องส้วมน ะ, อะเอพราะไม่มีใครอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้ใครเห็นถ้าไปแอ บ, บคิดแอบบทําอะไรในในห้องส้วมคนอื่นเห็นไหมคมนได้รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้แต่ใครรู้อ่ะตัวเราคะ่ะเออตัวเราที่มารู้ตัวเรามันจะมีตัวเราเนี่ยมันที่มารู้ตัวเราตลอดเลยไอ้ความรู้สึกที่เป็นตัวเราจะต้องมีตัวเรามารู้ตัวเราเนี่ยเราก็หามันได้เจอสิว่าแม้แต่เราไปแอ บ, บคิดแอบบกระทำอะไร ในห้องส้วมแต่ไม่หลอดพนจากความรู้ของตัวเราได้เลยไอ้ตัวเราที่มารู้ตัวเราเนี่ยเราลงหาหามันดีว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนอ ะ, อะเออเราหามันเจอไหมอ่ะโยนี่บอกว่าจิตที่มารู้ตัวเราแล้วเราหาเจอไหมเอาเอาไม้ไหม่เอาไมอาเท้าพูดน้อยพูดน้อยเอาเมื่อกี้ตอบแล้วเอาก็ถูกก็ถูกเออจิตที่มารู้ตัวเราเนี่ย เออจิตที่มารู้ตัวเราแล้วมันมีมันอยู่ตรงไหนอ่ะรูปร่างเป็นยังไงจิตก็คือผู้รู้ค่ะเออจิตก็คือผู้รู้แล้วแล้วแล้วมันทุกมันมีตัวตนยังไงที่มารู้ตัวเราอ่ะเคยเห็นตัวมันไหมไม่เคยไม่เคยแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะพูดใหม่พูดใหม่มันอยู่ตรงไหนอยู่ที่การเราเอออยู่ที่การสร้างสมาธิก็ป่ะค่ะอืม เอาเอาแบบซีดๆไม่ต้องไปคิดเอาดิเอาจริงๆว่าเราเคยเจอไหมว่ามันอยู่ตรงไหนเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอเห็นไหมไม่มีใครในโลกที่จะเจอมันได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีที่อยู่แต่เราเข้าใจว่ามันคงจะอยู่ในตัวเรานี่แหละมันคงไม่ได้หลอกเอาไปรออยู่นอกหรอกแต่มันคงจะอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่ว่ามันมมีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่มันจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ได้ แต่มันคือตัวเรานี่แน่ที่มารู้ตัวเราไอ้แน่ตัวเราเนี่ยที่มารู้ตัวเราแต่เป็นตัวเราที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยและไม่มีที่อยู่ด้วยไม่รู้อยู่ที่ไหนสรุปแล้วคือมันผู้รู้เนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่แล้วก็มันไม่มีไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยทักอย่างไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการลนไหวตัวดังนั้นเนี่ย ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยที่มันกระเพื่อมที่มันไหวตัวได้แสดงกิริยาการได้ดีใจเสียใจสุขทุกข์เศร้ามองผ่องใสสบายใจเดี๋ยวก็รู้สึกว่างรู้สึกไม่ว่างรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกไม่ปลอดโปร่งตัวเนี้ยมันคือตัวเราที่ถูกรู้ว่าเรานี่มีสภาพเป็นยังไงแต่มันจะมีตัวเราเนี่ยที่มารู้ตัวเราตลอดเวลาว่าเราเป็นยังไงไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเรานั่นแหละไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวตนเราจะไปหลงเอาตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราเราแท้ๆคือ มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่แจไม่เคยเกิดไม่เคยแตกดับไม่เคยถูกทำลายคือผู้ที่รู้ตัวเราไม่ว่าเราจะคิดนึกติดตอปรุงแต่งผูดกับทําแอบต้งทําแอบอะไรในที่รับที่แจงไม่หลอดพ้นจากตัวเราที่มารู้ตัวเราได้เลยแต่ตัวเราที่มารู้ตัวเราเนี่ยเราเพียงแต่พูดกันเป็นสรพนามได้เฉยว่าตัวเราที่มารู้ตัวเราเป็นเพียงสรรพนามแต่ไม่มีตัวเราตัวตนของเราจริงๆหรอกมันเป็นสรรพนามที่เราได้แทนสื่อสารกองก็เข้าใจว่าตัวเราี่ที่มารู้ตัวเรา แต่คำว่าตัวเราที่มัรู้ตัวเราไอ้ตัวเรานั้นน่ยมันไม่มีตัวหลักไอ้ตัวรู้ที่มันรู้ตัวเรามันมีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่มันไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มันคงจะอยู่ในตัวเรานี่แน่มันคงไม่ไปอยู่ที่ไหนหรอกแต่มันไม่มีตัวตนแต่มันก็รู้ตัวเราตลอดเวลาตอนเนี้เวลาถึงข่าวตายเนี่ยไอ้ตัวเราที่ถูกรู้ที่มันมีการคิดการพูดการกระทําอะไรได้ไอเนี่ยตายแตกดับมันเป็นตัวตายแต่ไอ้ผู้ที่รู้ตัวเราเนี่ยไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไม่ตายแต่ถ้าเราเนี่ย ไม่ไปเป็นผู้ที่รู้ตัวเราเราเนี่ยไปเป็นตัวที่มันเกิดดับแตกดับทำลายได้คือเอาไอ้ตัวคิดตัวมีอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเราเราก็จะต้องไปเกิดใหม่เป็นตัวคิดตัวมีอารมณ์เรื่อยไปจนกว่าเราจะเป็นผู้ที่รู้ตัวเรามันจริงจะไม่มีตัวตนแล้วหายตัวไปหลวงตาชวนัจิตนี่คือทำยังไงให้มันเป็นชาวนัตแปลให้ฟังน่อยทภาษาไทยแปลว่าอะไรอ๋ ชววันนจิตแปลว่าอะไรจิตที่มีไหวพริบจิตที่มีไหวพริบนะคะใช่เปล่าเอาเอ า, เอาใครแปลนี้ชววนน จ, จิตที่มีไหวพริบแปลว่าอะไรไ ม, ม่ทราบว่าถูกตอ้องหรือเปล่าแปลว่าอะไรเอาใครบรีเอากดหน่อยกดดูแตกแตกแตกกูเ ก, ก Google. ชววันนจิต ชวนาชววชาวชาว ช, ว, ชวนาจิตความหมายแปลว่าอะแปลว่าชั่วขณะไม่ใช่แปลว่าบัญญาณแปลว่าชั่วขนาดชาววชชาวชาว่าหมายแปลที่ในเว็บเขาบอกว่าแปลว่า จิตที่ทําหน้าที่เสพอารมณ์เอ่ไม่ใช่ปัญญาแล้วแต่เสพอารมณ์เพเสพอารมณ์ไม่ใช่ปัญญาแล้วเขาบอกว่าจิตที่ทําหน้าที่ชวนะมีทั้งหมดห้าสิบห้าดวงท้าห้าสิบ้าดวงมีทั้งหลายดวงแสดงว่าทุกดวงเป็นแสดงว่าทุกดวงเป็นจิตที่เกิดดับได้หมือนถ้ามีหลายดวงแบบนั้นแต่เป็นผู้รู้ไม่มีเกินการเกิดดับมีแค่ไม่มีดวงไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้อย่างเดียวดวงไม่มี าเป็นดวงแสดงเป็นอาการแต่ว่าจิตยังไม่ใช่ปัญญา